ที่ยอดมนุษย์เริ่มเดินทางไกลตัวหน่าเกลียดอะไรดันทะลึ่งโผล่เข้ามาในหัวกันละเนี่ยแต่ฉันก็ไม่โทษตัวเองเพราะอย่างน้อยก็ไหวพอจะจับได้ไล่ทันเจ้าตัวหน่าเกลียดนั้นโยนทิ้งจากทางโดยไม่ขยับเปลี่ยนจากอิรยาบทนอนให้เสียเวลาฉันลากลมหายใจเข้าสบายๆพบว่าในท่านอนเนี่ย